เอตะทักขังพิกเวมะมะสาวกานังภิกขูนังอิทธิมันตานังยะที่ทางมหาโมฆาลานโนดังนี้ความว่าพิกขเวดูรานะพิษุทั้งหลายแต่บรรดาสาวกฝ่ายมีฤทธิ์นี้และสาวกผู้ใดที่จะมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพระโมฆาลานะนี้หาไม่ได้ก็แหละพระโมฆาลานะเถระนี้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 ตรัสประธานธรรมเทศนาอาจินไตไว้สองประการคือโลกุตระริดนี้ประการหนึ่งกา ม, มะวิปากริดนั้นประการหนึ่งริดทั้งสองนี้เป็นอาจินไตไม่ควรจะพึงคิดเลยโลกุตระริดนี้เป็นริดของพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายโลกุตระรินี้ อุปัทถวะอันตรายอื่นๆมิอาจย่ำยีได้แต่จะสู้กรร ม, มวิบากฤตจะยังวิบากฤตให้อันตรทานหายนั้นกระทำไม่ได้กรร ม, มวิบากฤตนั้นคือฤติแห่งผลกุศลากุศลกรรมอันผลแห่งกุศลากุศลกรรมนี้ถึงผู้ใดจะมีฤติเทียมพระสัพพันย์อยู่ก็มิอาจสู้ได้ก็ปิดเถกับปิดถังวิยะ